รายการธรรมสาระต่อไปนี้ขอเสนออัตตาชีวประวัติของวสิอินทสระซึ่งเรียบเรียงโดยอาจารย์วสิอินทสระจัดพิมพ์ครั้งแรกเมื่อเดือนสิงหาคมพุทธศักราชส5 5 2ยโดยห้องหนังสือเรือนธรรมคำนำจากผู้เรียบเรียงเมื่อข้าพเจ้าทำหนังสือเรื่องการเผยแผ่าศาสนา